บทที่6การทําบุญให้ทานคําว่าบุญผูกพันกับคนไทยเราเหมือนกับกินข้าวแต่บางทีก็เหมือนกับกินข้าวอีกนั่นแหละที่ไม่รู้ว่ากับข้าวนั้นน่ะทามายังไงถึงได้อร่อยรู้แต่ว่าอร่อยเรามาคุยกันเรื่องเครื่องปรุงของบุญกันสักหน่อย จะได้เพลิดเพลินในการทําบุญคําว่าบุญกับทานก่อนอื่นต้องจูนคลื่นในตรงกันซะก่อนคือคําว่าทําบุญกับทําทานเรามักจะเข้าใจกันว่าทําบุญกับพระทําทานกับคนทั่วไปความจริงคือคําเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกทานคือการให้ฉะนั้น ให้พระให้คนก็คือให้เหมือนกันเป็นทานทั้งหมดแต่ที่เรียกว่าทาบุญกับพระเป็นความนิยมการไปทำบุญคนโบราณเวลาไปวัดก็จะบอกว่าไปทำบุญความหมายคือทำหมดทุกอย่างไปสวดมนต์คือเจริญภาวนารักษาศีลไปช่วยกิจที่ควรช่วยไปฟังธรรมแสดงธรรมเวลาคุยกันเรื่องธรรมะ นี่ก็เป็นการแสดงธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการอุทิศส่วนกุบุญคือกวดน้ำมีการอนุโมทนาบุญเวลาท่านไปวัดจึงได้ไปทำเรื่องของบุญหลายประการจึงเรียกว่าไปทำบุญหลวงพ่อชาให้นิยามว่าบุญคือความสุขที่ปราศจากโทษเพราะส่วนใหญ่พูดกันสั้นๆว่าบุญคือความสุข นี้กินเหล้าก็มีความสุขเหมือนกันน่ะคนเราจึงเ ฉ, ฉยไฉเลี่ยงบาลีได้จึงต้องกำกับตามหลวงพ่อชาวไว้ด้วยว่าบุญคือความสุขที่ปราศ จ, จากโทษดังนั้นที่บางคนจัดงานทำบุญที่บ้านนิมนต์พระมาแล้วเลี้ยงเหล้าชาวบ้านด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าทำบุญปนบาสนานจะทำบุญกันสักทีทำบุญให้ได้บุญดีกว่านะ ตรงนี้มีภาพการ์ตูนแทรกนะคะอ่าเป็นภาพหลวงพ่อนั่งอยู่บนธรรมบาต์กำลังขมวดคิ้วนิ้วหน้าด้วยความงงเพราะว่าเด็กหญิงขวัญกำลังถวายเหล้าขวดหนึ่งควรเลือกให้ทานพระพุทธเจ้าสอนว่าให้แก่ผู้มีธรรม ย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรมดังนั้นเราจึงควรเลือกให้คือถ้ารู้จริงๆแล้วว่าพระองค์นี้ไม่ดีไม่มีคุณธรรมจะไม่ให้ก็ได้บางคนเห็นเป็นพระก็ไม่กล้าที่จะไม่ให้กลัวตัวเองจะบาปอันนี้ท่านบอกว่าเลือกได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่อันนี้ก็ททำไปเถอะตัดความหวังประโยชน์ของเราเสียหวังแต่ให้ผู้รับเป็นสุข แต่ถึงอย่างไรก็ได้อยู่ดีคือรู้สึกปลื้มใจที่ได้ทําบุญไม่ใช่เลือกละเอียดยิบเลือกจนไม่มีที่ที่จะให้ไม่มีที่ที่จะทําบุญท่านสอนว่าขอให้คิดว่าคนเราดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดและในการทําบุญแม้แต่ให้กับสัตว์ก็ได้บุญบุญเล็กบุญน้อยก็ทําไปเรียกว่าทําให้บ่อยๆเหมือนน้ําหยดลงตุ่มทีละหยดเดียว แต่ถ้าหยดอยู่ตลอดเวลาก็เต็มตุ่มได้วันหนึ่งเราก็มีบุญเต็มตัวได้เหมือนกันการทำสังฆทานสังฆทานคือการถวายสิ่งของแก่พระโดยไม่เจาะจงว่าเป็นพระรูปใดการให้โดยเจาะจงว่าเป็นพระรูปนั้นรูปนั้นเรียกว่า ปาติปุคกลิกะทานได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ให้เจาะจงเรากล่าวว่าเป็นปาติปุกกลิกะทานปาติปุกกลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานไม่ได้เลยเมื่อเราไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ถือเป็นสังฆทานทั้งสิ้น เรียกว่ามีการเจาะจงหรือไม่เจาะจงเป็นใจความสําคัญของสังฆทานตอนเช้าตักบาตรให้พระหนึ่งรูปที่บินบาบผ่านมาก็เป็นสังฆทานตอนสายไปวัดย่อนเงินลงตู้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็เป็นสังฆทานเพราะให้พระใช้ได้ทั้งวัดไม่ได้เลือกพระองค์ใดตอนเพลงพระนั่งล้อมวงเป็นร้อยรูป ญาติโยมไปใส่บาทให้ท่านสามองค์บ้างห้าองค์บ้างหรือทั้งร้อยก็เป็นสังฆทานอยากทำบุญด้วยผ้าไตรสักชุดหนึ่งก็จัดเตรียมแล้วไปหาพระเมื่อพบองค์ใดก็ถวายท่านก็สาเร็จเป็นสังฆทานสังฆทานอยู่ที่เจาะจงหรือไม่เจาะจงไม่ได้อยู่ที่จํานวนพระและไม่ได้อยู่ที่ลายชื่อสิ่งของบางคนคิดว่าการถวายสังฆทาน คือต้องเป็นถังสีเหลืองใสเข้าสารผงซักฟอกไม่ขิดไฟสบู่ยาสีฟันนั่นเป็นเพียงของสำเร็จรูปที่คนค้าขายเขาจัดไว้เพื่อขายเท่านั้นปัจจุบันเข้าของเครื่องใช้บางทีมีมากมายจนล้นเหลือพระไม่ได้ใช้บุญก็ไม่เกิดแก่ผู้ให้แต่พระต้องใช้น้ำใช้ไฟต้องจ่ายยาค่ารักษาโรคจึงจะเป็นบุญเพราะมีประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยรวม เราจึงต้องเลือกทำบุญนะคะว่าจะทำแบบไหนในการทำสังฆทานท่านสอนให้เราทำใจให้ยินดีในบุญกุศลไม่ให้ยินดีในบุคคลผู้รับทำใจให้ตรงแน่วต่อคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทานอย่างนี้มีผลมากเพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนไปด้วย ที่ท่านสอนเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกเราชอบมัวแต่ละล้าละลังกังวลว่าผู้รับจะดีหรือไม่อย่างไรหรือกลัวมาทำให้บุญของเรามีตำหนินั่นแหละที่แท้ก็รักตัวเองเลยเศร้าหมองท่านจึงสอนให้เพ่งที่ได้ทำบุญรุศสนได้ขัดเกาวจิตใจตนเองเป็นหลักก็จบช่วงนี้นะคะมีกระตุ้นก็คือ มีก้อนเมฆแล้วก็มีดาวดาวก็กําลังกวาดฝุ่นของทกระปกนะคะการให้ทานมีสามชนิดคืออามิสทานอาภัยทานธรรมทาน มิสถานการให้ทานด้วยสิ่งของประกอบด้วยผู้ให้ของที่ให้และผู้รับเมื่อเป็นผู้ให้คือตัวเราผู้ทําบุญเราต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเต็มใจหลวงพ่อพุทธทาสอนว่าควรเลือกเวลาให้ที่เหมาะสมไม่ทาแล้วเหลือทิ้งว้างวันปีใหม่ที่สนามหลวง ทุกคนอยากจะใส่บาตรกันเพราะถือว่าเป็นวันมงคลแต่ะคนก็อยากใส่บาตรหลายๆองค์แปลว่าเข้าไปกับเขาด้วยแต่พระมีน้อยกว่าคนใส่บาตรทำให้ข้าเหลือเป็นแข่งแข่งแพรว่าเห็นชายสองคนช่วยกันหิ้วหูเข่งคนละข้างวิ่งผ่านมาก็ต้องหลับตาข้าวหอมมะลิอย่างแพงสุดตื่นมาบรรจงหุงตั้งแต่ตีสี 4. ไม่รู้อยู่ก้นเข่งนี้หรือเปล่าแพรว่าปรารบเรื่องนี้กับริมหรือดีซึ่งได้เล่าให้เธอฟังว่าฉันจะตักบาตปีใหม่ในวันก่อนหรือหลังปีใหม่วันใดวันหนึ่งในอาทิตย์นั้นแล้วแต่วันไหนสะดวกเพราะความสะดวกทำให้เราทำได้โดยสงบไม่ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายถ้าเราถือว่าเป็นช่วงของความมงคลเราก็ทา แต่ไม่ต้องทําตรงวันที่หนึ่งเป๊ะไม่จําเป็นความจริงมันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเหมือนวันอื่นๆถ้าเราทําบุญทุกวันก็มงคลทุกวันการเหลือของทิ้งคว้างนั้นเสียของมีคนอดอยากอีกตั้งเยอะแต่เราเอาข้าวมาทิ้งน่าเสียดายข้าวถ้าไม่มีใครกินอยู่ในเข่งสกรปรกแล้วบุญจะมาจากไหนบุญอยู่ที่มีคนกินข้าวนั้น ยังชีวิตไม่ได้อยู่ที่ข้าวเลื่อนจากทพีของเราลงไปในบาทส่วนวันที่หนึ่งถ้าแปลว่าอยากจะทําบุญจริงๆควรจะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะอย่างสงบอยู่ที่บ้านหรือไปฟังเทศที่วัดเพราะการทําสมาธิหรือฟังธรรมได้บุญมากกว่าตักบาทการทําใจให้สงบเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนอกจากนั้น เรายังควรเลือกเวลาที่เหมาะสมกับผู้รับเช่นเขากำลังทุกเพราะหิวเวลานั้นเราก็ควรให้ข้าวเมื่อเขาไม่สบายเราก็ควรให้ยาไม่ใช่เวลานี้เขากำลังหิวจนตาลายแล้วเราเอาหนังสือมาให้เขาอ่านดังนี้เป็นต้นท่านสอนรวมไปถึงอาการกิริยาที่ให้ก็ให้โดยดีถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่กระแทกกระทันให้เหมือนไม่เต็มใจ และที่สำคัญคือมีเจตนาดีมีความพอใจยินดีทั้งก่อนให้กำลังให้และก็หลังจากที่ให้ไปแล้วทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่ผู้ให้พึงจะมีตรงนี้มีกระตุนขั้นนิดหนึ่งนะคะเป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังวิ่งแบกกุฏิคือคนเราชอบทําบนกับของที่เป็นวัตถุนะคะวิ่งแบกกุฏิเลไป อันนี้มากล่าวถึงของที่ให้เรียกว่าวัตถุทานก็ได้แก่ปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโบสถ์วิหารนนะคะที่รูปเด็กหญิงขวัญกาลังแบกวิหารวิ่งอยู่เนี่ยคะ่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยนิยมสร้างวัดสร้างโบสถ์กันมากเพราะอยากได้บุญมากนั่นเอง แต่ถ้าโบทใดหรือสาราการประเรียนใดสร้างไปแล้วร้อยห้าสิบร้านแต่ปิดใส่กุญแจไม่ได้ใช้คนสร้างก็ไม่ได้บุญเท่าใดเพราะบุญไปอยู่ที่การได้ใช้งานถ้าสาราการประเรียนราคาสองแสนแต่ใช้แล้วใช้เล่าเช้าบ่ายเย็นใช้ตลอดคนทำก็ได้บุญมากดังนี้แหละถ้าไม่มีวัตถุจะให้ สิ่งใดที่เกื้อกูลผู้อื่นโดยเราต้องเสียสละก็เรียกว่าวัตถุทานเช่นช่วยเรียวแรงไปกวาดวัดสร้างถนนหรือช่วยโดยสติปัญญาใช้ความรู้ของเราให้เป็นประโยชน์แก่กิจนั้นๆวัตถุทานมีข้อจํากัดอยู่ว่าต้องได้มาโดยธรรมการได้มาโดยธรรมคือไม่ได้ขโมยมาไม่ได้โกงใครมา ไม่ได้บังคับรีดนาทาเร้นใครมาเป็นของที่เราหามาโดยสุจริตจากอาชีพสุจริตใครที่บอกว่าไปเล่นมาได้เงินมาก็แบ่งออามาทำบุญและปลื้มใจว่าไม่ได้บาปแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจเสียใหม่นะยังทันสิ่งของที่จะให้เป็นวัตถุทานมีสามประเภทคือหนึ่งทาสถาน ของที่ให้นั้นเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วหรือระดับเลวกว่าของที่เราใช้อยู่อาจารย์วสินอินทเสละได้ให้คำอธิบายไว้อีกในหนึ่งคือถ้าเขาควรได้รับของดีเราขี้เหนียวเราไม่ให้ไม่อยากให้เราก็ให้ของเลวก็จะเป็นธาสทานคือการให้อย่างเป็นทาตของความตรณีหรือเหมือนให้กับทาต สสาหายทานของที่ให้เป็นของระดับเดียวกับที่เราใช้อยู่ตามปกติประจำวัน 3. ส, สามีทานของที่ให้นั้นดีกว่าของที่เราใช้อยู่ทำไมจึงต้องรู้เรื่องสามอย่างนี้ก็เพื่อเวลาที่เราจะได้รับอะไรมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกใจเราจะได้รู้ว่าเราคงเคยให้ของไม่ดีกับคนอื่นเข้าเอาไว้นนเอง จะได้ไม่เสียใจมากและต่อไปก็หัดให้ของดีๆกับคนอื่นเขาบ้างผู้รับเรียกว่าปฏิ่าหกผู้รับทานมีทั้งผู้รับที่ดีแล้วก็ไม่ดีท่านพุทธทาได้แจกแจงไว้ให้ดังนี้หนึ่งให้พระสงสารได้แก่สัตว์ คนพิการขอทานคนช่วยตัวเองไม่ได้ 2. ให้เพราะเลื่อมใสเป็นผู้ปฏิบัติดี 3. ให้เพื่อบูชาคุณได้แก่บิดามารดาครูอาจารย์พระ 4. ให้เพื่อใช้หนี้คือเจ้าหนี้คล้ายพวกบูชาคุณแต่ว่าการใช้หนี้นี้เรารู้สึกในความรับผิดชอบเช่นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าหนี้เราปฏิบัติดีให้เป็นการบูชาคุณ หรือแผ่นดินเกิดเรามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตควรทำดีเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินห้าให้ทานแก่คนไม่ดีเช่นอันดพานเราให้เพื่อให้เขากลับตัวมีผู้รับที่ไม่ดีอีกชนิดหนึ่งคือให้แล้วเขาไม่กลับตัวแต่เราก็ให้เพื่อให้เขาอย่าเป็นภัยแก่สังคมถ้าเราให้เขาบ้างเขาอาจจะเป็นภายน้อยลง หลวงพ่อชาสอนว่าทานเป็นเรื่องแรกเป็นต้นเงาของบุญกุศลจริงๆการให้ทานเหมือนการหัดเดินให้มันโตไปโตไปทานวัตถุถ้ามันใหญ่ขึ้นมามันจะทานไปถึงอารมณ์ทานถึงสิ่งที่มันไม่มีรูปทานเรื่องจิตเรื่องใจทานโลภะทานโมหะทานเรื่องจิตเรื่องใจนี้ หลวงพ่อพุทธธาตุท่านตั้งชื่อไว้ว่าสุญญาตาทานคือทานที่คืนตัวเองให้กับธรรมชาติคือคืนบางอย่างเช่นโลภะโมหะให้แก่ธรรมชาติก็เดินธรรมชาติมันอยากให้เรามาเราก็คืนไปท่านอธิบายไว้ 1. สี่อย่างหนึ่งสละมานะทิฐิอย่างหยาบๆยาบสละก็คือลดละเลิกสอง สละความเห็นแก่ตัวคือเห็นว่าของกูสสละอัศมิมานะคือความเห็นว่าตัวกูสสละนิพพานออกไปเสี้ยอีกพีหนึ่งไม่ใช่นิพพานของกูไม่ใช่นิพพานของนิพพานไม่ใช่นิพพ า, า, านของอะไรนิพพานนั้นเป็นของว่างอย่างยิ่งไม่เหลืออะไรโดยแต่ความว่างสำหรับข้อสี่สละนิพพานตอนนี้ฟังไว้เฉ ย, เฉย ก็คงยังไม่แค่สำหรับพวกเราชาวอนุบาลได้ให้รู้ว่าด็อเตอร์เขาเรียนอะไรก็แล้วกันนะก็จบตอนนี้นะคะรูปกระตูนก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญเต้นลำอย่างดีใจในชุดเสื้อคุยก็คือถือหมวกด็อกเตอร์ น, นะคะ ก็คือเล่าบรรทัดสุดท้ายว่าด็อกเตอร์เขาเรียนอะไรกันการทำบุญให้ได้ผลมากในการทำบุญเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าไม่มีเงินจะทำบุญแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการทำบุญชื่อว่าน้อยไม่มีท่านเปรียบเทียบว่าคนจนทำบุญหนึ่งบาท มีผลบุญเท่ากับทาบุญพันบาทดังนั้นจำนวนเงินจริงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่ในการทาบุญเราทำให้ได้ผลมากได้ท่านเรียกว่าทำด้วยมหากุศลจิตประกอบด้วยเหตุดังนี้คือ 1. มีเจตนาในการทั้งสามดีไม่ปล่อยให้อกุศลแทรกเข้ามา เจตนาทั้งสมการก็คือก่อนทำกำลังทำและหลังทำเช่นสวดมนต์เริ่มตั้งต้นสวดใจไม่ไปอยู่ที่อื่นจดจ่ออยู่ที่ทุกเทียนการกราบการกราบบูชาไปจนเสร็จกระบวนการจะตักบาตรก่อนทำก็คือช่วงเริ่มปรุงอาหาร อย่าปรุงอาหารไปหงุดหงิดไปร้อนใจไปให้ปรุงอาหารอย่างสงบไม่คิดฟุ้งซ่านรู้ว่ากำลังทำอาหารเพื่อจะไปตักบาตรทำบุญเสร็จแล้วจบอธิษฐานให้เรียบร้อยไปยืนรอพระถ้าคิดว่าอาธิษฐานไม่ยาวนักจะอธิษฐานตอนพระมาก็ได้แต่ถ้าให้พระคอยนานจบไม่เสร็จสัทีก็จะไม่งาม กำลังทำก็คือกำลังใส่บาตรเมื่อสงบจิตสงบใจหูตาก็ไม่ต้องไปแคะว่าคนอื่นเขาใส่อะไรมาในบาตรแล้วมั่งให้วุ่นไปสงบเข้าไว้โยมหลังทำคือตักบาตรเสร็จก็ให้นึกถึงบุญว่าได้ทำบุญมาแต่จิตเรามักจะคอยไปคิดถึงเรื่องอื่นๆต่อทันทีทำให้จิตหลังทำนี้ไม่ค่อยได้ทำเราจึงดึงไว โดยการกรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะได้มีเจตนาหลังทำทาให้จิตมีเจตนาครบ3ามการได้สาเร็จนอกจากนี้ท่านสอนว่าเจตนาหลังทำยังมีอีกแบบหนึ่งคือหลังจากทำไปแล้วนานๆเช่นอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเป็นต้นเอามาเลือลึกขึ้นอีกก็เป็นบุญอีกคือทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธ มีความอิ่มในบุญเหมือนได้ทาบุญนั้นอีกครั้งหนึง่งจึงมีอุบายบางอย่างสำหรับในเรื่องนี้เช่นอาจจะมีภาพถ่ายงานบุญเก็บไว้ต่อๆมาก็เอามาเปิดดูอิ่มใจเหมือนได้ไปทำบุญอย่างในภาพนั้นอีกทำให้เราได้ใกล้ชิดอยู่กับบุญทำให้เป็นสุข ข้อสองมีปัญญาข้อนี้คือมีปัญญารู้ว่าก ร, กรรมนี้มีผลที่เรากระทาการตักบาทนี้เป็นสิ่งดีและมีผลรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่มีปัญญาก็คือเขาบอกให้ตักบาทก็ไปตักตามประเพณีไม่รู้ว่าตักเพื่ออะไรเรียกว่าไม่มีปัญญา ข้อ3ไม่ต้องมีคนชักชวนการทำบุญใดๆถ้าลุกขึ้นมาทำเองโดยไม่ต้องมีใครชวนหรือมีคนชวนก็ได้แต่ไม่ใช่ชวนยากท่านว่าบุญแรงแม้แต่การชวนตัวเองคือนึกอยากทำบุญปั๊บก็ทำเลยบุญแรงแต่ถ้าเรียกตัวเองเฮ้ยตื่นตนอีกครึ่งชั่วโมงเรียกใหม่เฮ้ยตื่นตนจนพระกลับวัดหมดแล้ว วิ่งตามชายผ้าเหลืองไปใส่บาตรในวัดอันนี้ป ร, รมิมาณบุญก็คงลดตามเหมือนน้ำลดยามเดือนแรมแต่ก็อเอาเถอะดีกว่าไม่เคยใส่บาตรตั้งเยอะเลยเมื่อครบสามอย่างคือเจตนาดีทั้งสามการมีปัญญาไม่ต้องมีใครชวนแล้วก็จะมีผลมากท่านเรียกว่าอานิสง คือผลที่น่าสรรเริญการให้ที่มีอเนกสงค์มากคือการให้ที่คิดว่าทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ดีเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็จบตอนนี้นะคะลูกกระตูนประกอบก็คือมีพระสงฆ์องค์หนึ่งก็กำลังเดินอย่างสงบนะคะวนข้างหลังก็เด็กหญิงขวัญก็กำลังวิ่งหน้าเลิศหน้าตตื่นตามมา จะตามมาใส่บาทพระ น, นะคะคงจะตื่นสายหัวข้อต่อไปอภัยทานพระพุทธเจ้าท่านสันเสริณอภัยทานดังนั้นถ้าผู้ใดทำผิดแล้วไม่ขอโทษท่านปรับอาบัติแต่ถ้าเขาขอโทษแล้วผู้ถูกขอโทษไม่ให้อภัยท่านปรับอาบัติเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีผู้มาขอโทษเราควรให้อภัยอีกประการหนึง่งอภัยแปลว่าไม่มีภัยท่านจึงสอนให้เราไม่เบียดเบียนใครนับเป็นอภัยทานด้วยและการแผ่เมตตาจิตให้แก่ทุกคนสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายก็เป็นการแผ่ภัยทานออกไปทำให้เกิดความสงบสุขการให้อภัยเป็นของฟรีแต่ให้ยาก ถ้าหากเราฝึกบ่อยๆเมตตาแก่ทุกคนว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วจิตใจของเราก็จะอ่อนโยนลงสุขสงบและให้อภัยได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงสุขสมุทไทยคือเหตุแห่งสุขสมอย่าง 1. พึงให้ทานคือช่วยเหลือกัน 2. พึ่งสุจริตคือประพฤติสุจริตสามจเจริญเมตตาจิตรวมแล้วมีสามอย่างข้อแรกคือทานสุจริตคือศีลเจริญเมตตาจิตคือภาวนาทาครบสามอย่างแล้วก็จะมีความสุขตรงนี้มีกระตุนประกอบนิดนึงนะคะเปโลกพระจันทร์เสี้ยวกับดาวดวงเล็กๆ ก, กาลังจับมือกัน ให้ยภัยกันเป็นมิตรต่อกันนะคะธรรมทานการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงแต่ต้องมีลักษณะดังนี้หนึ่งต้องเป็นธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยไปจนถึงทุกในสังสารวัฏ ส, สอง คำแนะนําสั่งสอนที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตในการทําจิตให้ปลอดโปร่งหรือสั่งสอนศิลปะวิทยาการที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลในการทําชีวิตให้ดีขึ้นเช่นนี้เรียกว่าการให้ธรรมพระพุทธเจ้าเตือนว่าอย่าเสพธรรมเลวคืออกุศลธรรมอย่าเลื่อมใสศรัทธาธรรมหรือคําสอนที่ผิดหรือลัทธิที่ผิดเพราะจะนําตนไปในทางที่ผิด เมื่อจมลงแล้วจะถอนตัวได้ยากท่านอาจารย์วสินินทัศละกล่าวว่าเพียงแต่ตั้งใจที่จะพึ่งตนเองและพึ่งธรรมคนก็จะก้าวขึ้นสู่วิถีชีวิตใหม่มีความมั่นใจในตนมั่นใจในธรรมและมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมั่นคงและสงบแจ่มใสไม่เลื่อนลอยไร้หลักฐาน เหมือนต้นไม้ที่อย่างราบลงลึกแล้วมีรากน้อยใหญ่แผยยึดดินไว้อย่างมั่นคงการให้ธรรมทานคือการให้โดยตรงด้วยการบรรยายธรรมหรือแม้แต่พูดคุยธรรมและการให้โดยอ้อมเช่นการแจกหนังสือธรรมก้อจบตรงนี้นะคะตรงนี้มีตะตุนประกอบนิดนึงก็คือภาพเด็กหญิงขวัญก็กาลัง ยืนตับตาปริ้มอย่างมีความสุขที่ได้ไปให้ธรรมทานมาบุญกิริยาวัตถุสิบความเข้าใจของเราทั่วไปการทำบุญคือการให้ทานดังนั้นเราจึงได้ยินว่าไม่มีเงินจะทำบุญ บางทีเราจะเห็นว่าคนลำบากยากจนอยากจะทำบุญแต่ก็ไม่มีเงินและคนรวยที่มีเงินแต่ก็ไม่ค่อยทำบุญสาเหตุก็เพราะว่าคนยากจนเข็ดความลําบากอยากทำบุญเพื่อหนีทุกข์แต่คนสบายเห็นว่าสบายดีอยู่แล้วไม่ต้องทำบุญก็ได้ความจริงอันนี้คิดผิดทั้งคู่คนยากจนทำบุญอย่างอื่นได้อีกเพราะบุญมีสิบอย่าง อย่างแรกคือทานอาจจะเสียเงินและเล่าให้ฟังแล้วในตอนแรกทานไม่เสียเงินก็มีเช่นช่วยแรงช่วยปัญญาอภัยทานแต่ก็ยังมีการทําบุญอีก9อย่างที่ไม่ต้องเสียเงินดังนั้นคนจนก็ทําบุญได้เยอะส่วนคนรวยก็ควรทําบุญไว้บ้างเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันหน้าอาจจะไม่รวยก็ได้ตอนนี้รวยท่านเรียกว่ากินบุญเก่าคือบุญชาติก่อน เปรียบเหมือนกำลังกินข้าวในหม้อที่หุงแล้วแต่ก็ควรซื้อข้าวสารมาเติมไว้ไม่งั้นข้าวสวยหมดหม้อข้าวสารหมดถังจะเอาอะไรกินความจริงคนรวยอาจจะได้เปรียบอยู่บ้างเพราะรวยแล้วไม่ต้องทําอะไรมีเวลาว่างทําให้ได้ศึกษาธรรมะมีเงินให้ทําบุญเรียกว่ามีกําลังพอจะสร้างบุญใหม่ได้เต็มที่ก็น่าจะเฉวยโอกาสไว้แต่อย่างไรก็ตาม คนจนคนรวยก็ทำบุญได้สิบอย่างเท่ากันพวกเราที่ชอบสแสวงบุญจึงไม่ต้องนั่งรถไกลายไปสแสวงบุญถึงไหนสแสวงอยู่ที่ตัวเราเองก็คือสิบข้อมีดังนี้นะคะข้อหนึ่งให้ทาน 2. รักษาศีลคือศีลห้าที่เรารู้กันอยู่แล้วอีกประการหนึ่งคือความประพฤติเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมสำรวมจิตใจต่ออารมณ์ต่าง ก็เรียกว่ารักษาศีลด้วย 3. ภาวนาการสวดมนต์การนั่งสมาธิการจเจริญวิปัสสนา 4. อัปจายนะการอ่อนน้อมถ่อมตน 5. วัยาวัจจะการช่วยเหลืองานต่างๆให้ลุ่ล่วงเช่นมีคนเขาจะทำบุญเราไปช่วยเก็บกวาดล้างจานช่วยทำกับข้าวช่วยให้การทำบุญของเขาสำเร็จลุ่งลุงไปด้วยดี เจ้าภาพจะได้บุญข้อทานแต่เราจะได้บุญข้อช่วยเหลือ 6. ปปฏิทานการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นที่เราเรียกว่ากรวดน้ำการให้นี้ให้ได้ทั้งคนตายและคนเป็นคนตายแล้วก็อธิษฐานไปให้ส่วนคนเป็นเราก็ไปบอกเจ้าตัวเขานี่วันนี้ไปทำบุญมานะเอาบุญมาฝากให้เขาอนุโมทนา การอุทิศส่วนกุศล น, นี้เป็นการขัดเกลารจิตใจที่ดีมากเพราะบุญเป็นสิ่งที่เลอเลอะที่สุดดังนั้นถ้าเราสามารถให้บุญกับคนอื่นได้แสดงว่าเราขจัดความตระหนี่หวงบุญไปได้แม้สิ่งได้ยากคือบุญเรายังให้ได้และก็ไม่ต้องกลัวบุญจะหมดบุญไม่ใช่ขนมเค้กตัดแบ่งแล้วเดี๋ยวฉันก็อดกินเซไม่ใช่อย่างนั้นแต่การให้บุญเหมือนการต่อเทียน เทียนเขาก็ติดแต่เทียนเราก็ยังคงติดอยู่เหมือนเดิมก็เจ็ดปัตตานุโมทนาการน้อมรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้อนุโมทนาต่อความดีที่ผู้อื่นกระทาโดยเปล่งวาจาสาธุหรือไม่เปล่งก็ได้การอนุโมทนาที่สมบูรณ์ต้องมีจิตประกอบด้วยปิติสมนัตและปัญญาไม่ใช่เออทุหท แบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะ 8. ธรรมสวนณะการฟังธรรมเพื่อให้จิตอ่อนมีสติปัญญารู้จักบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทำให้จิตเบิกบานแจ่มใสเลิกละความเคยชินที่เป็นโทษเสียได้การฟังธรรมแบบนี้จึงจะมีบุญมาก 9. าธรรมเทศนาแสดงธรรมด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่ได้หวังลาบยศชื่อเสียงเงินทองสการทำความเห็นให้ถูกตรงเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วและให้มีปัญญาคือรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ ตรงนี้ก็จบตอนนี้นะคะภาพการ์ตูนประกอบก็คือเด็กหญิงขวัญกำลังเอาเทียนไปต่อให้กับเพื่อนนะคะบทต่อไปพรมวิหาร4นอกจากบุญกิริยาวัตถุ1ิบแล้วเรายังทำบุญให้กับตัวเองได้นั่นคือทำความเย็นให้กับชีวิตตัวเองได้อีก โดยการมีพรมวิหารสี่พรมวิหารคือที่อยู่ของพรมหมายความว่าทําแล้วเป็นสุขเหมือนพรมในวิมานมีสอย่างหนึ่งเมตตาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สองข้อนอี้คู่กันเพราะเมื่อเราอยากช่วยผู้อื่นเป็นสุขเราก็ช่วยเมื่อช่วยแล้วเขาก็พ้นทุกข์การช่วยก็ทําเท่าที่เป็นไปได้ แม้แต่ช่วยพูดให้กำลังใจหรือช่วยฟังเขาระบายความทุกข์ใจก็เป็นวิธีหนึ่งด้วยาการได้ช่วยผู้อื่นด้วยเมตตาเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะพบว่าเป็นความสุขใจอย่างยิ่งนอกจากนี้การแผ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆเมื่อกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดตรงนี้มีการ์ตูนประกอบนิดนึงนะคะเป็นรูปพระจันทร์กําลังกรวดน้ําการกรวดน้ําอุทิศสวนกุศล ทาเมื่อทําบุญเสร็จคือมีกุศลไว้ให้อุทิศแล้วเราจริงอุทิศแต่แผ่เมตตานั้นแผ่ได้ทั้งวันเช้ามางัวงเงียยังไม่ตื่นมาข้างบ้านเห่าเสียงข่มเจดตัวก็แผ่เมตตาให้หมาเพราะไม่อยากมโหแต่เชา้ากลางคืนจะนอนมอเตอร์ไซค์มาแข่งแลนลี่กันหน้าบ้าน ก็แผ่ให้โมเตอร์ไซค์กลัวมันไม่ตายเอ้ยกลัวมันตายแผ่เมตตาให้มันกลับไปหลับไปนอนเสทีเจอใครทำอะไรก็แผ่แผ่เข้าเถอะเมตตามีเยอะแผ่ได้แผ่ดีเพราะว่าแผ่ฟรีและจะได้สบายใจ 3. มุทิตายินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นฟังดูง่าย แต่บางคนก็ยินดียากเห็นคนอื่นสำเร็จอะไรแล้วก็อิดชาความอิดชาริษยาเป็นคู่ตรงข้ามของมูทิตาเราฝึกข้อนี้ได้โดยการคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้น่าริษยาเพราะต่างก็วนเวียนเวียนไหวอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยกันทั้งสิ้นสงสารกันเถอะดังนั้นที่ทำสำเร็จในสิ่งนี้วันนี้ก็ยินดีด้วย อย่างน้อยก็มีเรื่องดีใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆในระหว่างทุกมหาสารของการเวียนว่ายต้เกิด 4. อุเบกขาการวางเฉยเมื่อเราช่วยผู้อื่นไม่ได้แล้วหรือช่วยไม่ไหวแล้วเราก็ต้องวางเฉยให้ได้คิดว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องรับกรรมของเขาเองใครช่วยรับกรรมแทนไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม การวางอุเบกขาไม่ใช่เรื่องง่ายท่านว่าคนที่มีใจกรุณามากๆจะวางเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นทุกข์ร้อนไม่ได้เลยวางเฉยไม่ลงไม่เป็นสุขร้อนใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงฉันเคยเรียนถามอาจารย์วศินอินทสระว่าความใจดำกับการวางเฉยมันตัดตอนกันตรงไหนท่านตอบว่า ความใจดำคือช่วยได้แต่ไม่ได้คิดจะช่วยแต่การวางเฉยคือช่วยไม่ได้แล้วก็เลิกช่วยคนบางคนช่วยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นจนคนช่วยน่ะจะแย่ซะเองก็เลยต้องเลิกช่วยท่านพุทธทาสให้นิยามว่าอุเบกขาคือจ้องดูอยู่ดูว่าจะช่วยได้เมื่อใดจึงจะเข้าช่วย ในการปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นถ้าท่านไม่ชอบศึกษามากก็เพียงแต่รักษาจิตไม่ให้หวันไหวไม่ยินดียินร้ายกับกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นคอยระวังใจให้สงบเข้าไว้แล้วถือพรมวิหารสี่มาใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกับเรื่องใดกับใครรวมทั้งตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตสงบสุขไม่ต้องแสวงหาข้อธรรมมากก็ได้ตามที่ต้องการ และเมื่ออยากทำบุญหลวงพ่อชาก็สอนว่าการทำบุญคือการละบาปเพียงเท่านี้ละบาปเสียได้ก็ได้บุญแล้วก็จบตอนนี้นะคะกระตูนประกอบก็คือพระจันทร์กำลังงงมากเพราะเห็นเด็กหญิงขวัญบินขึ้นมาหาพระจันทร์ได้การณ์ิฐาน ปัญหาของคนอยากได้บุญมากมักจะถามว่าเวลาทำบุญควรจะอธิฐานขออะไรไหมท่านที่เคร่งวิชาการจะสอนว่าไม่ควรจะอธิฐานขอเพราะเป็นความโลภบางคนเลยเถิดไปถึงว่าตักบาตรทัพีเดียวขอสวรรค์เป็นการค้ากำไรเกินควรข้อนี้มีข้อมูลให้ท่านเลือกพิจารณาดังนี้หนึ่งเส้นทางตรงเข้มข้นท่านจะสอนว่า แผทิฏฐานดังนี้ขอให้บุญบุญศนที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเถิดความหมายของท่านก็คือเอาพระนิพพานตั้งไว้เป็นหลักใยทีนี้เมื่อเราทำบุญย่อมมีผลบุญอยู่แล้วก็ให้ผลจัดแจงให้เราเองจะพาไปยังไงก็ตามเช่นทำให้ชาติหน้ารวยหรือพอมีอันจะกิน ทำให้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมจนกว่าจะได้บรรลุเราไม่ต้องแบะทิฐฐานขอปลีกย่อยระหว่างชาติต่างๆขอให้รวยขอให้ได้พบครูธรรมะอะไรให้วุ่นวายไปปล่อยให้กรรมจัดแจงแต่ผู้เดียวการเอ่ยคำทิฐิฐานแบบนี้จะได้ตัดความเสี่ยงที่จะเป็นบาปไปเช่นเดี๋ยวเราจะไปขอให้รวยขอให้รวยแต่ไม่ได้เพื่อจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เละยุ่งนะสิ จะเป็นโลภกิเลสไปเขาเรียกว่าทำบุญปนบากททำให้บุญไม่บริสุทธิ์ข้อสองเส้นทางอ่อนละมุนทางด้านนี้ท่านก็จะสอนว่าอธิษฐานได้แต่ต้องเข้าใจให้จบกระบวนความคืออันว่าปุถุชนนี้จะลัดนิ้วมือเดียวไปพระนิพพานนั้นลำบากก็ค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าการอธิษฐานจะเป็นความโลภท่านก็ว่าอาศัยความโลภละความโลภอาศัยตัณหาละตัณหาคืออาศัยตัณหาคือความอยากได้บุญเป็นละตัณหาความอยากไปสวรรค์เหมือนน้ำมือล้างมือเวลาจะล้างมือซ้ายเราต้องอาศัยมือขวามาล้างอาศัยกันไปพลางๆก่อนคือถ้าเราไม่อยากไปสวรรค์ก็อาจจะไม่อยากทาบุญก็เลยอดทาบุญอย่างน้อย การขออะไรในตอนแรกเริ่มปฏิบัติก็คือเรายัางอุดมไปด้วยเกลดพอทำบุญศึกษาทําไปนานๆเข้าใจธรรมะเห็นบุญที่สูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปก็เลิกขอไปเองในขั้นอนุบาลก็ขอไปก่อนได้ในพระตรายปิฎกจึงมีนิทานที่แสดงถึงอานิสง์ของการอธิษฐานเอาไว้มากมายหลายเรื่องเช่น หญิงผู้หนึง่งชี้ทางให้พระภิกษุผู้มาหาร้านขายน้ำผึ้งเพื่อเอาไปปรุงยาให้แก่ภิกษุป่วยนางชี้ทางให้และตามไปดูว่าเจ้าของร้านจะถวายหรือไม่ถ้าไม่ถวายนางจะซื้อถวายเองเจ้าของร้านได้ถวายน้ำผึ้งจนล้นบาทและอธิฐานขอให้ได้ไปเกิดเป็นจกักรพรรดินางจึงอธิฐานว่าถ้าคนขายน้ำผึ้งเป็นจกักรพรรดิเมื่อใด ขอให้นางไปเกิดเป็นมเหสีของท่านแล้วก็ได้สมหวังทั้งสองคนนี่แค่ชี้ทางใบร้านน้ำพึ่งเท่านั้นนะโอ้โหว่างแต่ในบทธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นท่านจะเริ่มสอนให้เราละวางแม้แต่ความดีบุญสวรรค์ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำดีแต่แปลว่าทำดีแล้วอย่ายึดติดกับความดีที่ทำ อย่าห่วงบุญห่วงสวรรค์เพราะเหตุว่าถ้าหลงอยู่ในบุญหรือสวรรค์ก็ยังต้องเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ด้วยการสวยสุขความดีความพอใจเมื่อบุญหรือสวรรค์ต้องเปลี่ยนแปลไปเพราะเป็นอนิจจังก็จะต้องมีความอ า, าลัยลําให้รำพันเศร้าโศกเสียใจอยากจะให้มีไว้ตลอดไปจึงกล่าวว่าถ้ามัวเมาอยู่แต่ในบุญหรือสวรรค์อย่างไม่ลืมตาแล้ว บุญหรือสวรรค์นั่นแหละจะกลายเป็นนรกให้เราร้อนใจอีกท่านจึงสอนให้ทำดีแต่อย่าติดดีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอัตุโลเรียนว่าที่ท่านช่วยเหลือชาวบ้านจนได้โบสถ์ใหญ่โตเป็นบุญมากท่านตอบว่าที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลก สำหรับวัดศาสนาเพรานั้นแต่ถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เพราะท่านสงบจิตไปถึงไหนไหนแล้วบุญกุศลแบบปุถุชนนี้จึงไม่ได้เป็นสาระอีกต่อไปถ้าจบตอนนี้นะคะรูปประกอบก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญถือหัวใจดวงสวยคือมีใจที่ดี บทต่อไปการให้ผลของบุญผลบุญของการปฏิบัติธรรมนั้นมากน้อยเป็นลำดับตามการปฏิบัติดังนี้คือทานศีลภาวนาปัญญาทานคือการทำบุญให้ทานเป็นผลบุญน้อยที่สุดศีลคือการรักษาศีลได้บุญมากกว่าให้ทานภาวนาคือการสวดมนต์ การ น, นั่งสมาธิการสงบจิตใจได้บุญมากกว่าศีลอีกปัญญาคือการพิจารณาตามรู้ตามความเป็นจริงของสัจธรรมรู้ใตรักคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนรู้หลักกรรมคือสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนและย่อมเป็นไปาตามกรรมรู้แล้วพิจารณาให้เข้าใจไปจนถึงจิตใจของเรา คลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้ข้อนี้เป็นบุญมากที่สุดการใช้ปัญญาพิจารณานี้ก็ทำได้ตลอดเวลาเช่นเราออกไปเดินเล่นเห็นใบไม้ร่วงล้วก็พิจารณาว่าเออสังขารไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นแล้วดับไปใบไม้นี้มันแก่แล้วก็ร่วงลงเห็นหมาเดินมายังพิจารณาได้เลยชาติก่อนมันคง ทำไม่ดีอะไรสักอย่างชาตินี้เกิดมาเป็นหมาแต่คงทำบุญไว้เยอะเหมือนกันมาเป็นหมาของคนรวยเขาจึงพามันมาตัดขนสวยเช้งกระเด็ะส่วนเจ้าหมาตัวนั้นหิวโซงเชียวชาติก่อนมันคงขี้เหนียวมากไม่ยอมแบ่งปันใครเฮ้อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บรรลุเองละเชื่อไหมถ้าเชื่อก็ทา ไม่เชื่อก็ทำเถอะนะมีการที่บายผลบุญในอีกรูปแบบหนึ่งว่าการทำทานทำให้ชาติน่ารวยการรักษาศีลทำให้สวยการมีสมาธิทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมากการมีปัญญาทำให้ฉลาดดังนั้นเราจึงควรทำทั้งสี่อย่างเพื่อเกื้อกูลกันและกัน เพราะเรายังต้องเกิดอีกหลายชาติมากมายถ้าเราเกิดเป็นคนรวยที่โง่ก็ศึกษาธรรมะไม่ได้มัวแต่ทําบาปต่อไปทําให้ต้องเกิดหลายชาติมากขึ้นถ้าเราเกิดมาฉลาดแต่ยากจนมากวันๆต้องทํางานหนักไม่มีโอกาสศึกษาธรรมะไม่มีโอกาสได้พบธรรมะก็อาจจะใช้ความฉลาดช่วยให้เกิดผลดีทางธรรมะแก่ตัวเอง ถ้าเรารวยฉลาดแต่ฟุ้งซ่านมากก็บ้าๆบอๆเอาเงินไปจัดงานแฟนซีสนุกสนานกินเหล้าเมายาปล่อยชีวิตไปเหมือนใบไม้ลอยน้ำไร้ค่าไร้ความหมายถ้าเราทำทั้งสี่อย่างก็ทำให้เราไม่จนมากกันไปไม่งงมากกันไปไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปก็พอจะพบธรรมะและมีสติปัญญาพอจะศึกษาให้เข้าใจได้ ได้พาตัวเองพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรทำทั้งสอย่างและอย่างสม่าเสมอด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงเชื่อในผลของความพยายามกระทําดีสข้อนี้ของเราก็จะส่งผลให้ชีวิตของเราอย่างน้อยในชาตินี้ก็มีความสุขแต่ถ้าทําดีในชาตินี้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงแล้วเราย่อมหวังได้ว่า ชาติไหนๆในอนาคตการของเราก็ย่อมจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อย่างแน่นอนตามกฎของกรรมและผลของกรรมนั่นเองก็จบบทนี้นะคะการตูนท้ายบทก็เด็กหญิงขวัญก็กำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ค่ะ